สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาตนะครับพี่น้องครับวันสองวันนี้เสียงอุ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดแต่อาการยังไม่รุนแรงนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาอยู่ใน20กดทองคําครับกดข้อที่15ซึ่งขึ้นเป็นกฎใหม่อีกแล้วนะครับกฎนี้คือเป็นกฎแห่งการเติบโต จากหนังสือ20กฎทองคำของท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปแทงครับซึ่งแปลโดยท่านาศาสตราจารย์สุพิธวิจักโยทินต้องขอขอบคุณมาใาโอกาสนี้พี่น้องครับอคาทูดเปโ ต, โตได้เขียนหลักการของการเจริญเติบโตในด้านจิตญาณไว้ในพระธรรมสองเปโตบทที่1ข้อที่3และข้อที่4นะครับบอกกับเราถึงหนทางเนื้อหาที่คริสเตียนทุกคนนั้นควรจะอ่าน และคุ้นเคยกับคําสอนนี้และที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องมีจิตใจแสวงหาชีวิตที่เติบโตขึ้นบนเส้นทางแห่งกลางเขนซึ่งเป็นการเติบโตของจิตวิญญาณครับในวันนี้เราอยู่ในประการแรกครับก็คือพลังของการแสวงหา ก, การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพลังของการแสวงหาความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าของพระเจ้าในข้อที่3ามและข้อที่4นะครับ ของสองเปยตัวไปที่หนึ่งโปรดฟังพโอจนะของพระเจ้าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุ น, นี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์โปรดฟังอีกครั้งครับด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราเพื่อจะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความน้ำเลิศของพระองค์ พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าเบตโตนั้นได้กล่าวถึงพลังแห่งการแสวงหา4ประการด้วยกันในพระธรรมตอนนี้ครับประการแรกก็คือเราจะต้อง แสวงหาชีวิตและชีวิตที่มีธรรมอย่างสมบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่มีธรรมะหรือชีวิตที่ชอบธรรมอย่างสมบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเราครับแต่เราต้องแสวงหาพี่น้องครับพระเจ้าประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราที่จะให้เรามีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์เราต้องสแสวงหาเราจึงจะได้ดังนั้นเองจงสแสวงหาเถิดนั่นคือประการแรกเราจะต้องมีชีวิตที่แห่งการสแสวงหาชีวิตที่ครบบริบูรณ์และมีธรรมะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ประการที่สองครับพลังของการที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้มารับพระสิริของพระเจ้า และความน้ำเลิอดของพระองค์พังคังภีได้กล่าวนะครับว่าผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความน้ำเลิดของพระองค์การที่เราจะรับพระสิรินั้นนั้นเป็นพระคุณครับความน้ำเลิอดของพระองค์ที่จะประทานให้กับเราก็เป็นพระคุณครับนั้นเองเราจึงต้องน้อมรับพระคุณนี้ด้วยจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าด้วยจิตใจแห่งการแสวงหา เราถึงจะไ ด, ได้รับพลังแห่งพระศิลิและความลําเลิศของพระองค์ประการที่3ครับพระองค์ได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราแต่เราต้องแสวงหาแล้วเราจึงจะได้ดังนั้นเองจงแสวงหาเถิดพังกัมพีพู้ชัดนะครับพระเจ้าได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราจงแสวงหา ตามพัญธาของพระเจ้าครับและประการสุดท้ายในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเหตุตัณหาเราจึงจะได้เข้าส่วนในอุปนิสัยในบุคลิกภาพของพระองค์แต่เราต้องแสวงหาครับจึงจะมีประสบการ์เหล่านี้ดังนั้นเองจงแสวงหาเถิดพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ ท่านเบโตนั้นท่านต้องการให้เราแสวงหา4อย่างครับ 1. แสวงหาชีวิตที่ครบบริบูรณ์และมีความชอบธรรมที together, ่ครบบริบูรณ์แสวงหาการที่เราจะต้องรับพระสิริของพระเจ้าและความน้ำเลิศของพระองค์ในชีวิตของเราให้เข้ามาในชีวิตของเราครับขออัญเชิญพระสิริของพระเจ้าและความน้ำเลิศของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา อันที่3ครับเราต้องแสวงหาที่จะรับพระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเราครับประการที่4ครับเราต้องแสวงหาการพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีโลกนี้เพราะตัณหาเพราะตัณหาและเราต้องแสวงหาการเข้าส่วนในสภาพของพระองค์ใน บุคลิกของพระองค์ในอุปนิสัยของพระองค์พี่น้องครับหากพี่น้องจําไม่ได้ผมอยากจะพูดแบบสั้นๆช้าๆเพื่อพี่น้องจําได้นะครับประการแรกเราต้องแสวงหาชีวิตที่ครบบริบูรณ์ประการที่2เราต้องแสวงหาการรับพระสิริและความ้ําเลิศของพระองค์ประการที่3เราต้องแสวงหาพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งของพระองค์ประการที่4 เราต้องแสวงหาชีวิตที่พ้นจากความเสื่อมทรามของโลกเพราะตันหาของโลกนี้เนื้อขับคือ4ประการครับ4ประการนี้เราน่าจะนํามาตรวจสอบชีวิตของพวกเราชีวิตของเรานั้นคงจะไม่มีใครถึงความไพ่บูรณ์ของพระเยซูณเวลานี้นะครับแต่ว่าเรามีจิตใจแสวงหาหรือไม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นชิมเป็นชีวิตที่ดําเนินอยู่กับพระเจ้า เป็นชีวิต io, ที่เชื่อฝังพระเจ้าเป็นชีวิตที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นชีวิตที่ครบถ้วนทุกด้านบริบูรณ์ทุกด้านเราต้องแสวงหาชีวิตแบบนั้นครับประการที่สองก็คือว่าเราต้องแสวงหากันถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าเมื่อเรามารับพระสิริของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นจะต้องถวายเกียรติเมื่อเรามาประสบพบกับความน้ำเลิอดดีความน่ารักของพระเจ้านั้น เราก็จะมีความซาบซึ้งและถ่ายทอดสะท้อนเอาความล้าเลิศและพระสิริของพระเจ้าออกมาครับประการที่3ก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่ดําเนินอยู่ภายใต้พระสัญญาของพระเจ้าแล้วสัญญาจะเกิดเมื่อสัญญาเกิดถึงเวลานะครับทุกอย่างที่ตามสัญญาก็จะเกิดขึ้นแสวงหาการมีชีวิตแบบนั้นครับชีวิตที่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเสมอ และประการที่4ี่ครับเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์พ้นจากความเสื่อมทรามของโลกนี้พ้นจากราคาตันหาความโลภต่างๆพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวชีวิตของพวกเรานั้นโลภมีตันหาหลายสิ่งหลายอย่างเอาบางอย่างมาแทนพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งแทนพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องงดเว้นครับเราจะต้องเลิก เราจะต้องกลับมาสู่พันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นสัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะรับพะสดิและเข้าถึงความน้ำเลิศความเลิศประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเรานั้นจึงเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับจึงมีธรรมะอย่างอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนนี่แหละครับเราควรจะแสวงหาชีวิตเช่นนี้ ขอพระเจ้าได้ทรงอำหน่วยพระพรให้กับพี่น้องที่รักของผมทุกๆ ท, ท่านครับเพื่อที่เราจะอยู่ในวันแรกแห่งของการทำงานเราจะประสบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์อาจจะไม่ทั้งหมดครับแต่ขอสักเสี้ยวหนึ่งเราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วครับอาเมน